ฉันมากจะลบสายตาทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยไปฟังที่ใครพูดมาเกิดมาก็ถึงจะเคยได้ยินก็ฉันไม่รู้จริงๆไอ้ที่ไปเจอมานะจำผิดหรือเปล่าต้นคนก็ทมพี่อิวนะเดินจูงมือใครน้งองข้มือเจ็บไม่มีน้ำใจช่วยถือให้แต่เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านั้น ไม่มีอะไรถึงนั้นทุกครั้งก็ตอบคำถามแบบเดิมๆทุกทีไม่คิดจะ่เขาไปจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองรู้ว่าเป็นคนหลายใจแตฉันกค่ใจ้าย ฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่นไม่คิดว่าเขาใครจริงจังเพราะไม่อยากทำร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังรู้ว่าเป็นคนไร้ใจแค่ฉันแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายทุกวันก็เตือนตัวเองในใจอย่าไปทำร้ายคนอื่นฉันรู้ดีว่าตัวเองย ง, งไม่พอ บางท d ฉันก็ l a งไม่พร a อมยอมรับใครให้ e ดินเท้าเหยียบ a รงหัวใจที่ฉันต้องสักวันฉันจะติดให้พร้อม ในวันที่ฉันพร้อมจะยอมรับใครมาเดินคู่กันตลอดไปก็ฉันมีวุ้ต้องทำอย่างไรบางทีก็พูดไม่ตรงกับใจและฉันต้องพูดให้ตรงกับใครหรือเพียงแค่พูดตรงๆออกไปเท่านั้นพอทํำยังไงกันดีเมื่อมันเป็นแบบนี้คิดมีออกสักวิธีเอาเป็นว่าฉันยอมโดนปวดหนาไม่ใครจะว่ายังไงก็ตาไม่ใครจะว่าเป็นนั้นถูกผ่านก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมจะยอมรับมันไม่ได้พึงจะแล้ว ไม่ได้พึงจะร้ายก็คนมันเป็นอย่างนี้ตังนานไม่คิดจะคบไปจริงจเพราะไม่อยากทไรายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดังรู้ว่าเป็นคนหลายใจก็ชนแค่ใจว้ยนแค่ใจว้ทุกวันก็เตือนตัวเองนใจอย่าไปทำร้าคนที่ไมคิดจะคบใคจริงจเพราะไม่อยากทำรายใครและไม่ได้คิดวตัวเองดังรู้ว่าเป็นคนหลายใจก็ฉันแค่ใจว้ยนแค่ใจว้ ม่นได้ผู้ยิงบอกคงเจรัยเอางานก็ได้ผมยอมรับจะพวกจะเจ็บมาตั้งกี่รายก็ํำไม่ได้ก็ต้องมองหน้าจะบอกว่าโทรหาตั้งแต่ไปกีสายไม่ยอมรับผมบอกว่าโตอยู่ด้านซ้ายขาพูกพิได้ในรอบอัเตอร์ผาทำไมจะใจร้ยจังชอบมาเลนอยู่แค่ผูจฉันใครทรายไว้คนใครก็บอก e ขาพี a b ชู o นเบบี้ยูว่าดุคนดุคนดุค This a s the s o n you know. What r f something new is shit? Yeah, I want some new shit. I want some new shit. s h c k i n g on my n e u s h i With my n e ก็เลยก็ทำดูเวลาที่เข้าไปทักแต่เธอไม่ค้างดูแล้ห้องและเปิไไดไรแต่เป็นไม่ห่างธูความเป็นทางสู่ ไม่ใช่ผู้ชายที่ทออ ส, พพสจจออู้กับไฟทออี่ใครกูพอกว่าแซนนี้แต่เสี่ยใจจะบอกวิารแต่เธอต้องการแบบแซนที่ฉหัวใจเต็มฟองให้เธอก็เพียงแค่เธอวันใจมาเถอะนะฟ้องกัเธ อ, อ เ, ออเออรื่งรักก็พอตัวซิทนอนปลักเลโต้อยู่พอคนถ้ามากับแฟนผมขอตัวแล้วชื่ออะไรแล้วขอทนดี ได้ชวนคิดรบกวนนิดมาลองดูว่าเธอกับฉันเคยไว้ก็กนายมาพร้อมจะดูไหมไม่อยากให้ใครจะต้องมาเสียเวลาก็ต้องการกันใส่ใจคุณคงจะเสียน้ำตามันไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครใครยุ่งเล่นกันเซ่ side ทุกคนก็รู้กันทั้งนั้นว่าใจไว